بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ا ل ي ه م الدين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من خير ما ترزق به عبادك وأن تقينا شر ما وقيت به عبادك و َ أ ن ْ ت ج ع َ ل ْ ن َ ا م ِ م ن ْ ا ص ْ ط َ ف َ ي ْ ت َ ه م و َ د ِ ي ت َ ه م إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ل ي َ م ُ ر ب ع د ش و ا ع ِ م م ن و ت و س ي م و م ي م و م س ْ م ا ة ً و َ م س م و س ت ي س ت ق ي م ة เหมือนเหมือนมนุษย์นี่เข้าสงครามแล้วก็ยกมือยอมแพ้เลยทั้งทั้งที่ก่อนช่วงโรคระบาดนี่มนุษย์มนุษย์นี่ยกมือสแสดงความอลังการยกมืออย่างนี้แต่พราโรคระบาดนี่มออ่ี้และสังเกตได้ง่ายนะครับบุหลลสุฮานะตะอาลาจ เลือกเวลาที่จะให้มนุษย์นพิพสน์ด้วยตัวเองถึงความอ่อนแอของตัวเองในอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถเห็นความอ่อนแอของตัวเองไม่สามารถเห็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าไม่สามารถเห็น เป้าหมายที่พระเจ้าได้ระดมสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มนุษย์ให้มนุษย์ได้มีชีวิตที่ราบรื่นงมื่ที่มนุษย์ได้ถึงจุดนี้ทุกครั้งนะเราก็จะพบเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่จะต้องที่จะต้องเชิญชวนให้มนุษย์เนี่ยันกลับมาพิจารณา غضب وان القرآن ا إنه كان ظلما جهولا و ن ي ظلم ث م جهول ك ن مو س ن ي ك ر ي أ ث م ل م و และปัญหาของมนุษย์ส่วนมากเกิดจากสองอย่างเนี้กระทำแล้วก็ขัดขัดความรู้โง่เขา่าและความรอดของมนุษย์ส่วนมากเกิดจากสองอย่างนี้ตรงข้ามกับความอายุที่ทำคืออะไรอายุที่ทำตรงข้ามกับความโง่เขา่า ความไรปัญญาไรความรู้คือความรู้วชากังนั้นเรายิ่งแสวงหาความรู้ยิ่งดํารงซึ่งความยุติธรรมยิ่งปรากฏให้เห็นความพาุขความราบรื่นความเรียบร้อยความความดีงามในชีวิตของพวกเราต้องดูในสถานกณ์ ในบ้านเราและต่างประเทศดูสิดูทุกความวุ่นวายจนลูกรวยหน่อยก็รวยหน่อยก็เอาเอาวิทยาศาสตร์มามาบังคับใช้เลยรวยรวยหน่อยก็อยู่ได้ทุกที่อ่ะแต่ <laughs> Allah سبحانه และ ت ع ว ل ى จะให้ผู้ศราเรนได้รับการอบร่มที่สุดในบทเรียนนี้บทเรียนว่าตัวเองอย่าหลงกับตัวเองตัวเองเพิ่งพาตัวเองตัวเองต้องเชื่อมัน่นใน Allah سبحانه และ تعالى ถ้าผู้ศรัทธาไม่พยายามทบทวนบทเรียนนี้กับตัวเองเสมอ เรื่องความอ่อนแอของตัวเองและเราต้องตึง่ตงความช่วยเหลือจกากลรสม า, รานนวทานเนื่องด้วยภารกิจอะไรบางอย่างที่มันล้นพ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราอาจจะไม่ไม่ทันที่จะไม่ทันที่จะจัดตารางทบทวนเหล่านี้ เราจะจัดให้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าเราจะต้องดำรงซึ่งความศรัทธาว่าให้ให้หนักแน่นแล้วเราจะส่งบทเรียนมาให้อย่างอย่างปราณีอย่างอย่างสวยงามแต่คนที่ไม่ไม่ได้ไม่พร้อมที่จะรับบทเรียนจากอัล์พระผู้เป็นเจ้าออย่างปราณีอย่างละเอียดอย่างสวยงามแบบนี้ก็จะถูกตีหัว ด้วยเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยต้องกลับมาทบทวนว่าตัวเองเนี่เปล่าเลยความร่ำรวยความอมาลังการอำนาจมหาศาลมันไม่ได้ช่วยอะไรที่จะให้เราได้ได้ตามที่เราต้องการแม้ว่าจะเป็นการหลงระดับส่วนตัวหรือระดับลกูกทั้งหมด ประเทศมหาอำนาจที่เราเคยคิดว่าสุดยอดของระบบการบริหารถ้าใครได้ระบบบริหารของเขาหนูก็จะเป็นประเทศมหาอำนาจเหมือนเขาสิปรากฏว่าแพ่สถานการ์ไวรัสโดยเล็กๆที่มองไม่เห็นทั้งหมดนประเทศมหาอนาจทั้งหมดเลยนะรัสเซียจีนฝรั่งเล็กทั้งหมดเลยนะ ไปทศความมั่นคงถาวรนประชาชาติลม้มล้มกันใรนิรนามเลยระบบบริหารด้านสาธารณสุขด้านหาด้านหาอะไรได้หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยความเชื่อที่อัลลอฮฺซุลฮานวะานช่วยเหลือเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เรา จะต้องวางสาบปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สาเหตุเรื่องอะไรต่างๆแต่เราจะต้องควบครองทุกอยาก่างที่เราสร้างไว้ในโลกนี้นยใชยใใ้ให้มันทุกต้องใช้ให้มันสมเหตุสมผลให้ให้มัน มีความยุติธรรมและในขณะเดียวกันระหนักและก็เชื่อถ้าอัลลอฮฺสุภาอัลลอฮฺดารไม่สมทบความช่วยเหลือไม่สมความช่วยเหลือทั้งหมดนี่มนไม่ใช่เด้เราสมัครไปสมัครงานเราเราทำโครงการเราลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ได้ วางแผนเหมือนคนทั่วไปนะวางแผนไปเถอะสุดความสามารถแต่ในทุกขั้นตอนที่เราได้วางแผนนี่เราจะต้องเราจะต้องนึกว่าอัลลอฮฺสุลฮานะวะดาลเฝ้าดูทุก ข, ขั้นตอนแล้วก็มองหัวใจว่าของเราเนี่ยพึ่งพาวัตถุพึ่งพาเหตุสาเหตุสบับเนี่ยปัจจัยมากกว่าพระเจ้า รู้อ <Zusammen> ัลลอฮฺ سبحانه และก็อัลลอฮฺฮุมบินบินบมิได้ด้วยแม้กระทั่งด้วยเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์ถือถ้าเราเชื่อว่าเราสุภาณอวตารเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นโรคอะไรที่มันอันตรายได้แรงและก็มีหมอเก่งๆว่ามาช่วย ไปหาหมอไหนคนถ้าช่วยไม่ได้เพราะว่ามีหมอคนหนึ่งเก่งมากจัดยาให้เราจัดระบบรักษาจนหายโอ้ขอบคุณมากถ้าไม่มีหมอเนี่ยประโยชน์นี่ถ้าไม่มีหมอเนี่ยผมบานี้เนี่ยจนาจา่าจะแล้วถ้าเา ร, เ ร, า, รลลาเป็นผู้ศรัทธาจริงเราก็รู้ว่าอัลลอฮฺเป็นผู้สั่งหมออัลลอฮฺเป็นผู้สั่งยาอัลลฮฺเป็น ร่างทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมถึงจะมีเหตุผลที่จะขอบคุณเขาแบ บ, แ บ, บคําขอบคุณที่มันสุดซึ้งนหะแต่มันก็ไม่ควรที่จะลืมว่าที่จะต้องขอบคุณมากกว่าที่ต้องซึ้งมากกว่าในเดชานุภาพของของพระองค์ที่ได้อํานวยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเหาะสมบทเรียนแบบนี้ Allahu Akbar ไม่ห่วงแม้แต่นบีเองนะ่นที่จะสอนนบีเรื่องเนเพราะเป็นเรื่องสําคัญเป็นบทเรียนที่พลาดไม่ได้ละเลยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ในสงครามเบอรบอกแล้วว่าทุกครั้งที่จะที่จะรับอะไรดีๆเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งโอกาส หลงโอกาสลืมเสมอสังเกตได้เลยมันไม่เกี่ยวกับอะดรีนาลีนหรอเเวลาเศร้ามากเวลาดีใจมากเนี่ยมันก็ต้องลืมอะไรสักอย่างต้องลืมอะไรสักอย่างผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ควรดีใจมากเศร้ามากเศร้ามากประสบมุสีบะอินในัลลลาย ดีใจมากได้อะไรดีใจมากอัลฮัมดุลิลลาห์สำคัญสำคัญที่สุดระบบร่างกายของเรานี่เขาบอกว่ามันมีสองระบบที่มันควบคุมทุกอวัยวะระบบต่อมต่อมทั้งทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ระบบประสาทระบบประสาท ระบบต่อมเนี่ยมันก็อาศาัยโฮอร์โมนที่หลัง่งเป็นปริมาณและจำนวนที่พอดีตัวพอดีตัวระบบประสาทอาศาัยไฟฟ้าไฟฟ้ า, ฟ า, ฟ า, ฟาสั่งการ ระบบต่อมที่มันหลังซึ่งโฮโมนมันสนองเหตุการณ์โดยไม่คิดดีใจมันก็มีอะไรที่หลังไปเศร้ามันก็มีอะไรที่หลังไปมนุษย์นี้ก็จะต้องสุขภาพต้อง ต้องดีทั้งสองระบบกต่อมทั้งหลายนะต่ถ้าตัวเดียวเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยลวนบางทีก็แย่เลยและระบบประสานด้วยแต่ถ้าจะเลือกระหว่างสองระบบเนี่ยที่จะต้องควบคุมให้ดีเนี่ยคือระบบประสาน เพราะเหตุการณ์นี้ทำให้เรามีอาการเช่นอาการดีใจอาการโมโหทั้งหมดนี้มันผ่านประสาทและประสาทนี่แหละที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งต่อมแล้วฮอร์โมนต่างๆพอมันหลังเตินปริมาณและขนาดของมันนะนะ มันก็เกิดอะไรที่มันไม่ดีดีสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือควบคุมประสาทและอะไรที่จะควบคุมประสาทให้ดีที่สุดให้ให้ประสาทของเรานิ่งและอยู่อยู่ในการควบคุมบริหารเสมอคือทำให้ประสาทของเราเนี่ย มีพลังด้านอี م ا ن เพราะพลัง إ ي ม ا ن นี่มันเหมือนมันเหมือนเครื่องที่ปรับไฟฟ้าให้มันไม่ตกอะเรื่องอะไรเน่ยไฟฟ้าตกนะนะทำทำมันตกบ่อยขอเขาเขาจะมีเครื่องเขาเรียก อ, อะไรน ะ, ะเครื่องที่ที่มันปรับระบบไฟฟ้านี่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ตกนั่นแหละอิมานไม่ให้ ไม่ความไม่ความรู้สึกของเรานี่พอดีใจดีใจผกประมาณพอเศร้าพอเศร้าผมประมาณสามร้อยคนมีดาบแต่ละคนเนี่ยมีดาบถ้าฟันฟันอะไรหมอนหรืออะไรเนี่ยจะไม่ขาด สู้กับนักรบพันกว่าคนมีอาวุธอย่างดีเลยแล้วอยู่ใีชัชนะจะไม่ดีใจได้ไงพลาดไม่ได้เนี่ยท enfin ี่จะต้องมีบทเรียนสาคัญมากทั้งตัวท่านนบีสุลต่านละละอาละอานะลอาะละอานะะอานละอานละอานละอานะละอานะอานะอานละอานะลานะละอานะละอานะละอลอานะานะละนะ่ะอาละลาะละอานะานะละอะะอาะลาะนลอนะนานาะ ขอบคุณการขอบคุณเนี่ยมันจะดีเฉพาะเวลาแต่บทเรยียนนี่มันจะใช้ได้ตลอดเวลาเป็นงที่สำคัญอย่าลืมอย่าลืมบุญคุณของพระสุบภานุวะตารและที่ช่วยเหลือพวกเจ้าอัลลบิลเลาฮิมิเนชาอิสุตานอฺรยีมบิสมิลลาอฺมัฮฺมัมมานีฮฺซิต فلم ت ق ل َ ه م ولكن الله ق ل ه م و م ت إ ل ا ي ت ولكن الله ر م ه و َ ب ل َ المؤمنين م ن ل ا ء ح ن ه إن الله س م ع ل ي ه فلم ت و ه م َ ا ء ن ي د ي ا ل ل ت ه نصف ق و ت و ت ه نصف ق و ت ن َ ف قوته ن ه نصف ه ن ص و ن ص ه نصف ل و ت ه نصف ق نصف ن َ ف ق ن ه ن ص َ قوته ن ص َ ق و ن ف ق و ن ت َ ق ت ه ن ص و ه نصف و ت ه ن ف ن ت ه ق ت ه ن ص و ه نصف و و ت ف ق ه نصف قوته نصف ق ن ه ن و ت ه ن و ه َ و ت ه و ن ص ه ن ت ه نصف ق ت ه ن ที่สงฆ่าพวกเขาว่าแม้เราไม่แตล่ละเจ้าีิได้คว้างดอกขณะที่เจ้าควา้างแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ต่างหากที่ควา้งางปรนอมจักรู้ไม่ได้ฆ่ากันในสงครามาที่ฟันกันแล้วก็ฆ่ากันนี่แหละที่มุชลิมตายเนี่ยไม่ใช่พวกเจ้าเป็นผู้ฆ่าอัลลอฮ์เป็นผู้ฆ่ า, เ, าเอา้ายังไงอะ่ะก็ ผู้ศราเองอะ่ะที่ลงมือที่จับจับอาวุธลงมือฆ่าเองอะ่ะแต่ไปเรียกว่าเขาไม่ได้ฆ่าต่อล็อกฆ่างไงอ่อุลมะนี่บอกว่านี่คือสมการที่เราเอาไปเปรียบเทียบไะ้นี่สมการเอาไปเปรียบเทียบได้กับทุก กิริยาที่มนุษย์ทำทำธุรกิจลงทุนทำธุรกิจประสบความสําเร็จรวยเจ้าไม่ได้รวยเ จ, จ้าไม่ได้รวยด้วยตัวเองตอนเราทําให้เจ้ารวยหมอผ่าตัดประสบความสํำเร็จเจ้าไม่ได้ผ่าตัดเองแต่อมต่างหากที่ทำที่ผ่าตัดและทําให้เจ้าสำเร็จ โอ้ยฉันวางแผนนะแต่นนั้นทุกอย่างไม่สําเร็จเจ้าไม่ได้วางแผนเองต่อเราต่างหาที่วางแผนและให้เจ้าสําเร็จทุกอย่างในชีวิตจะต้องมีสมาการนี่ยมาปรับความเข้าใจทั้งนั้นนีิเราก็ตระหนักแล้วก็เชื่อจริงเพราะเราเป็นคนลงมือเองแต่เราก็จะต้องตระหนักเช่นเดียวกันว่า องรวมองรวมของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยองประกอบทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮสุฮาบวะอาาลาเป็นผู้อำนวยการในเรื่องนี้อลลอฮมาเขาจะเอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง ال, อาสากาไลบาตการกระทำของมนุษย์ เป็นการกระทำของ Allah จิินหรือเชิงนามธรรมาข้อทุกเถียงนี้ส่งผลให้เกิดความคิดที่ที่หลังเนี่ยถูกพัฒนาตัวเองจนเป็นลทัทธิสองลทัทธิที่หลงผิด ลทัที่หนึ่งที่ขอยักกันว่าจับบริยาจับบริยามาจากคำว่าจบัจบจับจับเบลว่าบังคับบังคับเอว่าเรานี่ยนะไม่มีส่วนใดๆในการกระทำของเราทั้งสิน้นทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺเป็นผู้จัดการ فوقني فوق جبرية محضة فوق لثي ثي ش ในเรื่องบ ا งคับ ب ของอ ل ي เต ام روبم يعني هو الذي يتحكم في كل شيء في كل شيء ف ม كل شيء في كل شيء في كل شيء في كل شيء في كل شيء ل شيء في كل شيء في كل شيء ف ั كل شيء في كل شيء في كل شيء في ื ل شيء في كل شيء في كل شيء في كل ش ي เ في ك ม ش ي ل ك ي พระลมตุลูพวกเจ้าไม่ดีค่าแต่ถ้าว่าอัลลอเป็นผู้่าต้งขัดตรงกันข้ามกับลัทธินี้เนี่ยก็คือพวกาดารียะกดารียะกาดารีย์นี่ก็คือมาจกกาดรกาดร์นี่หมายง่ากำหนดการเนี่ย เราเนี่ยเลือกเองบางทีเขาก็เดกันอลทยรยอรยมาว่าเลือกคือมนุษย์เลือกเองอัลลอ์ไม่รู้อัลล์ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่รับรู้เลยอัลลอ์จะรู้ต่อเมื่อเราทำอัลลอ์สิ่งจะรู้อัลลอฮ์ไม่มีส่วนไม่มีส่วนกำหนดอะไรเลย สองลัทธินี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสหภาพแต่ไม่ใช่สหภาพนะก็หันที่มารับอิสลา ม, มาใหม่แล้วก็เอาความเชื่อจากาศาสนาเดิมเนี่ยมาเยียดเยียดอิสลามแ ล, ล้วสหาพะม่ได้ประนามทั้งสองลัทธินี้แนวทางกลางของอัลสุนน์อวันจะมาก็คือของอิสลามที่ถูกต้อง ก็คือเรามีส่วนเลือกการกระทำของเราเพราะเพราะเรารู้สึกเองหรอว่าเรามีมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีส่วนที่จะเลือกแต่ส่วนที่เราเลือกกระทำนั้น a l ห a h s u b าะ n a h u w ทรงรู้และก็อำนวยสาเหตุ ปัจจัยต่างๆที่จะให้มันเกิดขึ้นตอนเราไม่ได้บังคับเราเลือดจะเป็นมุกมินหรือจะเป็นกาฟิร์ فمن شاء ف ย ل ي م ي ن ومن شاء فاليكفر สุรุลกาฟิใครประสงค์จะอีมานก็ได้ใครประสงค์จะปฏิสนก็ได้ คือถ้าเราไม่มีสิทธิเลือกล้เราจะพูดยังไงอะแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าเราจะเลือกโดยที่อัลลอฮ์ไม่รู้และไม่อนุมัติและไม่อำหนูเลยเราเลือกทางแต่อัลลอฮ์สุภานอวะดาจะให้เราเลือกพอเลือกแล้วนี่นะอ้าวเลือกนี้นะและตัวเองต้องรับผิดชอบแล้วก็จะอำนวยให้ฉะนั้น ฟลัมต ت ๊กตุลูห์พวกเจ้ามิได้ฆ่าพวกเขาหมายถึงว่ามิได้ฆ่าด้วยภาระการด้วยความสามารถของพวกเจ้าเองเพียงผู้เดียวมนุษย์ทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ولكن الله قتلهم แต่เท่าว่าอัลลอฮ์ต่งหาที่ทรงฆ่าพวกเขาหมายถึงว่าด้วยปัจจัยด้วยสาเหตุต่งางๆที่ Allah อัลลอฮ์อัลมุยให้พวกเจ้าฆ่าเขาได้การกระทําของมนุษย์นั้นไม่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วในเมื่อเลือกแล้วอัลลอฮ์ก็จะอํา น, นวย สาเหตุและปัจจัยตามที่เราเลือกทางนี้ไปคาราโอเกะทางนี้ไปมสัสยิดไปคาราโอเกะก็จะกินเหล้าไปมสัสยิดก็จะละมาดเราก็เห็นมีคนเดินไปคาราโอเแล้วก็เห็นมีคนเดินไปมสัสยิดไปถามทุกคนเลยนะ เราอาจจะเป็นคนหนึงที่เลือกไปตรงนู้นหรือไปตรงนี้ก็ได้ถามตัวเองก็ถามคนอื่นเคยไหมตอนไปเมื่อเสียหรือตอนไปคารวยรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกระชากเราเอา๊ะเหมือนมีมีห่วงเชือก ง, งัดคอแล้วก็ดึงงัดเราดึงไปเมื่อเสีหรือไปคารวยเห็นไหมมันเกิดจากมันเกิดจากการเลือกของเราอย่างสมบูรณ์ พอเราเลือกแล้วอ่ปะปัจจัยต่างๆรถน้ามันของรถพลังของเราสุขภาพของเราทั้งหมดนี่อัลลอฮ์จะอาํานวยให้เห็นไม่ถือว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้บังคับหรือกระทําความชั่วของเราเราเนี่ยเป็นผู้กระทําความชั่ว ด้วยตัวเองและเราจะรับผิดชอบความชั่วทั้งนั้ น, น, นแต่อ l l a อนุมัติให้มันเกิดขึ้นตามที่เราประสงค์เพราะ a l ล a h ให้เราได้มีสมองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และชีวิตอื่นเดริชาน มาลาอิกะอะรเงี้ยนี้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกมาลาอิกะทําความดีเองเดียวสัตว์ในรังชานทําทั้งดีและก็ชั่วแต่ไม่ไม่ถูกลงโทษไม่ถูกตอบแทนแต่ของเรานี่จะมีถูกลงโทษแล้วก็มีถูกตอบแทนและการลงโทษการตอบแทนมันก็จะต้องสืบเนื่องจากความรับผิดชอบ ถ้าไม่ได้ผิดชอบเพราะไม่ได้ทําด้วยตัวเองจะถูกลงโทษยังไงและจะถูกตอบแทนเพื่ออะไรทําดีก็ตัวเองไม่ได้ทําเองนี่ทำความชั่วก็ไม่ได้เลือกทําเองนี่จะไปลงโทษยังไงการในเมื่อมีการลงโทษในเมื่อมีการตอบแทนก็แสดงว่าที่ทําดีนั่นน่ะมันเกิดจากการเลือกของเราเอง เรจะถูกลงโทษด้วยความชั่วแสดงว่าความชั่วนี่มันเกิดจากการเลือกของเราเองดังนั้นอลุซุนนาวัลจมะเขาบอกว่าไม่ปฏิเสธการเลือกที่จะทำของมนุษย์และการลงมือของมนุษย์และจะไม่ปฏิเสธการอํานวยสาเหตุของอัลลอฮซุมฮานะหุตา เช่นเดียวกันแต่ในเชิงมารายาทเนี่ยในเชิงมารายาทถ้าเป็นเรื่องดีเราควรที่จะนึกถึงอัลลอฮฺเสมอแต่พอทำความชั่วนีนะเชิงมารายาทนะไม่ควรที่จะบอกว่า mm hmm. ก็อัลลอฮฺเป็นผู้อำนวย เพราะที่ข้อที่จริงว่าเราเราเลือกเองเนี่ยพอเขาชนะในสงครามบัดฟะลังตักตัวลุกไหมพวกเจ้าไม่ดีครับต่อัหรอกเรามอบความช่วยเหลือที่เราได้เนี่ยเป็ น, ป น, นอีกอย่างหนึ่งที่อัุษุนในอัลจัมมะเขาบอกว่า ในเรื่องความดีเนี่ยเรามอบความดีถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยการขอบคุณและในเรื่องความชั่วเนี่ยเราจะหลดความรับผิดชอบนี้จากอัลลอฮ์จบว่า والشر نعه النبي والشر ليس إ ن ن ي. ل ي ความเลวร้ายทั้งหลายไม่อ้างอิงถึงพระองค์ท่านโดยเด็ดขาดเรา้เราละหมาดเราบอกว่าอยูล้วอัลลอฮ์ช่วยหลือให้ฉันได้ละหมาดแต่เวลาสมมติว่าฉันกินเหล้าเขากว่าอัลล์ช่วยให้ฉันกินเหล้าเราต้องบอกว่ากิเลสของฉันนั่นสูขของฉันน่ชื้อตอนของฉันนั่น ที่เชิญชวนให้ฉันได้ทำความชั่วเหล่านี้ยกเว้นถ้าหากวความชั่วรู้ความไม่ดีงามที่เราได้ทำนั้นเราได้ตาบัตรตัวไปแล้วและมีคนมาตำหนิเรา ในความชいい Luck ั่วนันนั้นใอดีตเนี่ยสมมติอดีตเนี่ยเราเคยกินเหล้าถ้าเราตบัดตัวล้เอทำได้ไหมเอียเดี๋มานี้ผมเลยนี่เป็นเรื่องเดี่ยลเนาะก็หมดไปแลกเงียได้ในบรรทึกของอิมามบุคอีนอบุสลิม النبي موسى، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي موسى نحب النبي آدم، النبي موسى، ن ب ا ن ب ي เป็นทีรูกันว่า ن ب ي موسى เนียเป็นอารมณ์ที่ร้อนหน่อยเบอิสรล บูชาลูกวัวทำอะไรเตรอนี่เขาไม่ไม่ยอมเลยอ่ะเห็นอะไรแบบต้องจัดการเลยอ่ะพอเจอท่านนบีอาดัมอ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นบิดาไงแต่ต้องถามท่านครับท่านนไปกินจากต้นไม้ เราออกจากสวรรค์เียที่เราที่เเดืยวร้องพระท่านดำท่าน نبي อัลกุลเบาะคฟะทูลุมีะลาชัยอินกัตคบะฮ์ลลอฮ์อะลัยเจ้าจะต้องหนีหรือจะติเตียนฉันในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดได้อย่งไรพรท่าน نبي อัลัุลเบาะฟาตาบัลลอฮ์อะลัยอัลลอฮ์ตอบตัวล้วนท่านน ب ي อัล ก็ไม่ควรนิเขาเลยไง่ควรที่จะตำม่น้อยอร์ดัมก็เลยม a สิท a ิ์ท่จอ้างกฎสภา t ิกต้องสุภาพแต่ถ้ายังไม่ต้องบัดกรร i าธิกไม่อนุญาตให้ t ้าะคดี <the> <immediate> เท่าไหร่เราทำความชั่วเอ้ยไ่ต้องมาว่าฉั น, นอนนะไรเรกกำหนดไปแล้วไม่ได้อันนี้โดยหลักการทั่วไปยกวเวทในกรณีนี่ยรณที่เราตาว้าตวัวแล้วก็มีคนมาตำหนิเราถึงจะอ้างได้ความเข้าใจนี้เนี่ยก็มาจากอายัเนี่ยที่ยืนยันในสองการกระทำการกระทาของมนุษย์ และการกระทําของพระเจ้าพวกเจบรียเนี่ยพวกที่บอกว่าบังคับเนี่ยเขาเชื่อว่าการกระทําของมนุษย์พวกเจ้ามิได้ฆ่าการกระทำมนุษย์เนี่ยนำมาทําและการกระทําของพระเจ้าเนี่ยเป็นรูปธรรมและพวกอิคเทียเนี่ยพวกอิคเทยเนี่ยเขาบอกว่าการกระทํา มนุษย์เนี่ยเป็นรูปธรรมของจริงแล้วการกระนำผู้ใหญ่นามธรรมแต่หลุดสุนนวลจะมาว่าการกระทําของอัลลอฮ์และมนุษย์เนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องจริงทั้งสองทั้งสองมนุษย์ไม่สามารถเลือกหรือทําอะไรได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตแสดงว่าการกระทํา เราเนี่ยมีผล ม, มีผลสิส่วนเราเราจะเลือกอี م ا ن หรือจะเลือกกูฟุตอัลลอฮ์ไม่อนุญาตอะไรเนี่ยเราจะเลือก إ ي มานอัลลอฮ์ไม่อนุญาตเราจะเลือกกูฟก ad, อุอัลลอฮ์ อ, อัลลอฮ์ไม่อนุญาตมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราเชื่อในความไร้ขีดจำกัดของเดชานุภาพของพระเจ้าพระเจ้ามีเดชานุภาพบริบูรณ์ หากว่าการเลือกของมนุษย์และการกระทําของมนุษย์เนี่ยสามารถจะเหนือกว่าการอนุมัติของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้านี่ไม่ใช่พระเจ้าแสดงว่าการเลือกและการกระทําของมนุษย์นี่จะเหนือกว่าพระเจ้าพระเจ้านี่ก็ไม่ใช่พระเจ้าแล้วแต่เราเชื่อว่า Allahu Akbar แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้สำคัญ ประเด็นเนี้ยประเด็นเนียมันเกี่ยวกับเรื่องอตดาห์นะลอยู่ในรุกุน إ ั้งรุกุนอกรุกุนนะรุกุนียกนีว่าอันตนะบิลกัฎอวักัรขฮีว่ชริฮีอัลวีฮีวมุริฮีชีอนคสวะขอัลลอฮทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีหมว่าทั้งหมดที่มาจากอัลลอฮ นี่เป็นรูปุ่นอีหมานะแต่ในประวัติศาสตร์อิสลามโดยเฉพาะประวัติวิชาการเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นทำให้กระบวนการการศึกษาและสิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันสิ้นเปลืองกับเรื่อง ที่ไม่น่าจะไปผูกพันกับประเด็นนี้การทะลาะเบาแวงถกเถียงอย่างรุนแรงระหว่างระหว่างนักกุชการระหว่างสองฝ่ายในประเด็นนี้ว่าตกลงอำนาจของอัลลอฮ์แล้วการเลือกของมนุษย์เนี่ยอันไหนจะเหนือกว่านี่นะมันไปสิ้นเปลืองในเรื่องที่มันไร้สาระ จนเกิดคำถามซึ่งคำถามนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยนักปราชญาพวกนักฟรโชญาที่เขาที่เขาตั้งคำถามนี้มานานแล้วอะมนุษย์เป็นผู้กำหนดทิศทางในชีวิตของเขาเองหรือเกิดมาในโลกนี้ถูกวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมี พวกวัตุนิยมที่ไม่เชื่อในศาสนาและในพระเจ้าเนี่ยก็จะชอบไปแพร่ข้อมูลกับเยาวชนให้เขาได้สงสัยในการมีของพระเจ้าด้วยคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ทำไมเราต้องสร้างเราแล้วเราต้องมาลำบากใจที่จะเลือก ทางศัทธาทางปฏิสัทธาและสุดท้านี่ก็ก็ไปเข้าสวรรค์กันไปตกนรกกันทําไมต้องมาลําบากกันแบบนี้ก็ตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างคนไม่ต้องสร้างคนชั่วอัลลอฮ์ไม่ต้องกําหนดให้มีความชั่วในเมื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع า ل ى มีอํานาจจริงในเมื่อมีพระเจ้าจริง และพระเจ้ามีอำนาจจริงทำไมพระเจ้าจะต้องให้มีกลุ่ ม, มนุษย์กลุ่มนึง่งเลือกความชั่วทาความชั่วแล้วก็ยังเอาเขาไปลงโทษอีกทำไมต้องให้คนลำบากก็ดัง่จรักเลยไม่รู้ที่มาพิพิธยมียะไได้ตอบประเด็นนี้นง่ายเขาบอกว่า ถ้าเรามีสิทธิที่จะตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีสิทธิทตั้งคำถามแล้วทำไมต้องมีพระเจ้าตั้งแต่แรกเลยคือในเมื่อจะถามว่าไอ้ทำไมอัลลอฮ์คือไม่คือถ้าจะตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าว่าว่ามีอ AH ัลลอห์เลยคุณตั้งคำถามตั้งแต่แรกเล ย, เยทำไมต้องมีอัลลอฮ์ฉะนั้น การถูกเถียงในเรื่องไร้สาระแบบนี้ทําไมอัลลอฮ์ตกลงเชื่อในอัลลอฮ์ไหมคือจะเชื่อในอัลลอฮ์นี่ไอ้หลังนี่มันจะจบแต่ถ้าตั้งคําถามนี้เนี่ยต้องกลับมาคุยใหม่ว่าตกลงมีอัลลอฮ์หรือมีหรือไม่มีอัลลอฮ์โลกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้จัดการใครบ้างถ้าเราเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วนะเราก็ต้องยอมรับว่าสมองของเราเนี่ย ไม่สามารถที่จะให้คําตอบในทุกอย่างแม้พวกวัตถุนิยมนี่เนี่ยแม้กระทั่งในด้านวิทยาศาสตร์จะมีบางจุดเขาจะค้นหาค้นหาค้นหาเพ า, ายังไม่มีอย่างยังยังคนไม่พบยังไม่เจอเพราะอะไรอะกล้องมันจนระท้ายยังยังไม่เห็นก็ในด้านวิทยาศาสตร์พวกคุณก็ยอมรับไง มันมีขอบเขตความสามารถในมันมีขอบเขตสมองนี่นะมันก็เหมือนเป็นอวัยวะเหมือนดวงตาเหมือนจมูกจมูกนี่ได้กลิ่นทุกอย่างไหมไม่ลิ้นเนี่ยรู้บอกวมันได้รสชาติไม่รู้กี่พันอย่างแต่มีบางอย่างเนี่ยที่มีรสชาติแล้วเราก็ไม่ได้รสชาติหูได้ยินเสียงทุกระดับไหมไม่ สายตาได้ทะลุ ก, กำแพงไหมไม่เรายอมรับในความสามารถของอวัยวะต่างๆทางําไมไม่ยอมรับว่าสมองของเรามันก็เป็นส่วนอวัยวะเหมือนอวัยวะอื่นๆที่มันมีความสามารถของมันเช่นเดียวกันมันไม่สามารถที่จะคิดไกลไปกว่านั้น فَلَنْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا ر َ م َ ي ت َ إِذْ ر َ م َ ي ت َ وَلَكِنَّ اللَّهَ ر َ م َ ى و َ أ َ ك ََ م ِ ي ْ ل َ ي ك ََ ا ب ُ و َ ك ْ ه ُ ت َ و َ ى اللَّهُ ت َْ ل َ ى ا ل َْ ه ْ د َ ا ل م َُْ ع َ ل َ ا َُ ع ََْ و ََََْ م ِ ي ْ د َ ي ك َ ه َ ا ب َُ ك َ ت َ و َ ى اللَّهُ ت َ ع َْ ى ل َْ ه ْ د َ ا ت ع ََْ ا س َ ع ْ ตามที่บันดึกูอมกิมับเจริ์แล้วก็บันดาอุลมาที่เล่าซีรับของท่านนาบีสนลนะเยสลมในเรื่องสงครามบัตรเนี่ยว่าอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนาบีสุลตล่าะเลยละมได้หยิบสายเข้ากำมือแล้วก็คว้างสายเนี่ยคว้างสายบางรายงานก็บอกว่าเป็นเป็นหินหรือเป็นอิฐตัวเล็กๆ ซ้ายเนี่ยมันได้ถูกโยนไปถึงตาของมุชริกีนทุกคนจนกระทั่งมุชริกีนไม่สามารถมองเห็นตอนทําสงครามตอนสู้รบเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นเหมือนคนทั่วไปอันเป็นสาเหตุที่ทําให้มุชริกีนเนี่ยสู้ไม่ได้เต็มที่และได้รับอานพายแพ แเราก็บอกว่าเจ้าไม่ได้คว้างเพราะความสามารถของมนุษย์ในการที่จะคว้างทรายหรือหินนี่นะมันก็จะถึงไม่กี่คนแต่จะให้ทรายและก็หินเนี่ไปถึงทุกคนในหนึ่งพันคนที่เป็นที่เป็นศัตรูนี่นะมันไม่น่าจะเป็นความสามารถของมนุษย์ แท้จิงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกว้างแต่เทาว่าอัลลอฮ์ตังหาที่ก ว, <oui. S 1> ว้างวะลิบลียมุมอิมินีนมิหนูเบลัยอัน حسن นะลพื่อว่าพระองค์จะทรงทดสอบบรรดาผูา้ศรัทธาอย่างดีงามจากพระองค์ลิบลียะลิบลียะแปลว่าทดสอบ ลิบเลียรักษาเนี่คือบลาลิบลียยมันคบลาอันบลาอันแปว่าดุสบลาอันนที่มาลายูเขาเรียกกันนบลอนี่แหละแต่เรามักจะเข้าใจคำว่าบลอนี่ในเชิงที่ไม่ดีเรื่องลบเรื่องไม่ดีเพราะคนที่โดนบลอบลลไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างสิ้นเชิงเลยนะ คำว่าอันเปทดสอบอาจจะเป็นดีก็ได้เช่นคนเขาป่วยถูกทดสอบไปนัป่วยเราก็บอกว่านี่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เขาอิบแตลหูอัลลอฮ์ทดสอบด้วยด้วยโรคชนิดนึ่งดีไหมดีสิจะได้ลบลางจะได้มีบทเรียนจะได้ทบทวน บางทีบาล้นี้ก็จะเป็นเรื่องลบเป็นเรื่องไม่ดีก็เช่นเดียวกันเช่นคนเขาเคยละหมาดอ่านุอ่านเป็นคนดีแล้วก็อยู่ดีๆทิ้งละหมาดแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบเป็นเจ้าสำราญไม่เอาไหนไปยุ่งกับเรื่องอบียมุกทั้งหลายอันนี้เราก็บอกว่าเนี่ยอุบัตุเลียนพีดีนี่ถูกทดสอบในศาสนาของเขานะอันนี้เป็นบลอในเชิงที่ไม่ดี ฉะนั้นไม่ไม่เสมอไปนะโดนบลอโดนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้องต้องปรับต้องปรับทำไมเ่เพราะมันมีผลนะมันมีผลกับความเชื่อของเราอ่ะใครที่ประสบกับความลำบากเสมอเนี่ยในในความรู้สึก ข, ของคนไทยมาลายูเรานี่นะเอ่อ โดนคลื่นโดนฝนตกหนักโดนน้ำท่วมโดนอะไรเนี่ยโดนบ่อนอ๋นโดนลมท่วมก็จะมองเขานี่ไม่ไดีแล้วความรู้สิกซึ่งเราต้องปรับไม่ใช่คนที่โดนนี่เขาอาจจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ด้วยซ้าไปถูกทดสอบถูกทดสอบดี่หมายที่อัลลอฮ์ วะนบีวอ pues ินนัลลอฮออฮบบะอบดานิบตะลานิั <ride> nah ้รครยนนอัลลอฮก็ะบลัะนแวระต่ราเป็นคยังไงคนละเรื่องเลยมันส่งผลให้เราเนี่ยได้มองทุกคนแล้วมองอีกอย่างนึงนะว่าเออย่าให้เราได้ได้พบอะไรที่มันลำบากเลย เรารู้สึกอย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่โดนทดสอบมาแล้แสดงว่า a l l รักเราอันนี้ก็มีมี ม, มีมีแง่เหมือนกันนะถ้ายังไม่โดนทดสอบอะไรรุนแรงเงี้งนแะสดงว่า a l l ยังรักเราอยู่ไปเหมือนคนอื่นนี่เหมือนคนโน้นนะโน้นก็โดนโรคคนโน้นก็โดนรถชนคนโน้นโดนโบอลล็อกกันนั่งนะั้นนะเราอีกรักเราอยู่ลึกๆก็จะเข้าใจกันนองแต่มีนะที่เข้าใจแบบนี้แล้วก็พูดลัน่นมาเป็นวาจาเลย a l l ั h ดุลิลลอฮฺ Allah ยังรักฉันทำไมอ่ะโอ้ย Allah ลูกหลายคนมีริสกีดีมั ي ي. ที่จริงเนี่ยบททดสอบนี่มันไม่ได้มันไม่ได้มีเฉพาะบททดสอบด้วยความยากลำบากอย่างเดียวบทสอบด้วยความความง่ายสะดวกด้วยริสกีนะวรนณบุโลกุมบิเชรี و ا ل خ ي ر ونبلكم ن ي ب ل ا ن ي ب ا ل ش ر ده سنتي ل ه ر ي و ا ل خ ي ر لازم د ي دي, دي ن ا فتنة، فتنة، فتنة بيتوا ت ทดสอบไดเน ما س ر د ني بن، الله، ن ي ن ي نعم، مغلوين، ع م م ت ن ي ا ي بن بيتوا ت ص و قبل مي ر د بن ل مات دوما. แต่พอมีรถเบนเนี่ยล้างรถังวันเป็นเลกนที่เล่นมก็เหมือนกันแหละเล่นเกมก็เหมือนกันแหละใครที่หลงตามเนเป็นเป็นบททดสอบนี่้ขอตอบุบตุลีนบิดดอรฟะซนเราถูกทดสอบด้วยความลำบากเรายังสูฮุนได้อบตุลีนบิสซรอฟะลัน ถูกทดสอบด้วยความง่ายความสะดวกก็คือด้วยแนวมากต่างๆว่าเราไม่ทนไม่ได้เพราว่าเราเขาตอมเนี่ยคงหมายรวมว่าโซฮาบะเนี่ยตอนถูกทดสอบด้วยความลําบากกาณบีนะโอ้หนึ่งกังแรงต่อสู้แต่พอพิชิตแล้วก็ได้ซับเฉลยได้ร่ํารวยแล้วนะก็เริ่มละโซฮาบะก็เริ่มมีแทะเลาะกันเริ่มมีนะ ลงดุ尼าบ้างอะไรบา้างเนี่ยองค์เขับต้มนี่หมายว่ามันฝันล้มลับเสื่อมเกิทนไม่ได้ใช่ตอน <c oughs> ก็จะมาใช้ทั้งสองอย่างเนี่ยในการที่จะลวงมนุษย์บางทีทำให้มนุษย์เนี่ยกระซิบกระซาบให้มนุษย์เนี่ยทำในสิ่งที่ให้เกิด ความลำบากในชีวิตเขาจะได้ทนไม่ไหวแล้วก็หม่านล้มลหรือบางทีเนี่ยแนะนำเข้าในสิ่งที่ดีเออชาตอนมันก็เก่งนะไอ้ทำดีดีโอธุรกิจประสบความสาเร็จแล้วก็ยิ่งร่ำรวยยิ่งร่ารวยแลวก็รู้แล้วก็ศา ส, สนากันล้มล้มด้วยด้วยอะไรนะเรื่เรื่องที่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องดีฉะนั้นเราจะรู้ว่า บททดสอบเนี่ยเราพ้นบททดสอบหรือว่าบททดสอบนี้เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราเรื่องเดียวตรวสอบเรื่องเดียวง่ายที่สุดอีเมลของเราเป็นยังไงถ้าเสมอต้นเสมอปลายนะแสดงว่าบททดสอบนั้นดีละหมาดสะอาดพอซื้อรถ จะเบนเดิมไม่เบนน่ะหลังซื้อรถเหมือนเดิมแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่บทสอบผลอิหมานแบบนี้พอจนทำไมลดทำไมเช่นจนทำไมลดอิหมันอีหมันก็ลดลงอิบาดะก็ลดล ง, ลดลงแสดงว่าไม่ผ่านบทสอบใ น, นละมาถ้าพอเข้าโรงพยาบาลเหมือน เหมือนลึกๆในใจนั่จะลงโทษตลอดเ้าทำไมไม่ถูกตบบ้าแข็งแรงเลยยังไม่ลำบากเหมือนสติรุ่นหล่อเหมือนจะกำลังจะลงโทษตลอดเงั้นนะั่นนะไม่ผ่านแสดงว่าไม่ผ่านแต่ถ้าเสมอต้นเสมอปลายบททดสอบดีหรือไม่ดีเนี่ยแต่อิมันของเรายัางดีอิบาดาของเรายัางดีเนงะี้ยแสดงว่าเรา การบทสอบและบทะบทดสอบนะัมันไม่ไม่เป็นเรื่องที่จะกระทบความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเราสุภานะแต่อันนี้เนี่ยที่ Allah ทดสอบผู้ศรัทธาในสงครามบัดนทดสอบด้วยอะไรด้วยเรื่องส่วนมากะนะเรื่องดีเพราะเรื่องชายชนะนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากชนะสงครามนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลย ถ้าไม่คนหลงได้แต่นเบลลวซาฮ์ไม่หลงล้วก็อุลยุบลีอัลมุฮมินมินฮุบะละอันฮัซนะบทสอบผู้สรท้าอย่างดีงามจากพระองค์เพราะอะไรเพราะเขาได้บเรีนว่าชัยชนะของเขานี่ก็มาด้วยอันมัตตจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺอินนัลลอัลลาะซมีรุอัลีอัลลอฮฺทรงได้ยินในสิ่งที่พวกเจ้าปรารุกัน อูดกันกระซิบกระซาบกันอาลีมส่งรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ลั่นวาจาออกมาไม่พูดด้วยเสียงจะเบาจะดังออกมาเพียงอยู่ในใจของพวกเจ้าเนี่ยอลัลลอฮฺก็ทรงรอบสแสดงว่าบททดสอบเนี่ยเราต้องเฝ้าทั้งการกระทําของอวัยวะภายใน พูดอะไรทำอะไรที่จะแสดงกิริยาต่อบททดสอบหรือจะนึกอะไรจะคิดอะไรในใจต่อบททดสอบเราก็ต้องเฝ้าระว right, ังว่าลัทธิมหางรรมวิชาล่ะซูงได้ยินซูงรล้ที่พวกเจ้าได้พบชัยชนะ ด้วยอนุญาตจาก a l l ลา s u b h a n นั่นน่ะนะและแท้จริง Allah ลลนั้นคือผู้ทำให้อ่อนแอซึ่งอุบายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอายะนี้เป็นอายะที่สั้นมากแต่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนไม่ควรที่จะมองข้าม ยพรามนุษย์เนี่ยมักจะแค่ให้ความสำคัญกับความสามารถของคนอื่นคนอื่นเ็ามีความสามารถขนาดไหนเนี่ย เขาจะประเมินตัวเองกับคนอื่นที่เขาเขามีแล้วและตัวเองเขามีสมมติ ว, ว่าเราทําธุรกิจเรามีทุนอยู่แสนหนึ่งคู่แข่งของเรามีมีทุนอยู่แสนล้านโอ้เราจะไปสู้เขาได้ไงแสนหนึ่งกับแสนล้านโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมนุษย์ีต้องเข้าใจว่าปัจจัยต่างๆเนี่ย มันไม่ได้เป็นไปตามที่เรามองเห็นเพียงลำพังหมายถึงว่าเรามองเห็นสมมุติว่าเรามองรถเห็นรถถังแล้วก็เรามีปืนปืนกระบอกเล็กๆแล้วก็จะตู้นี้มีรถถังจักการที่เรามองว่าเรามองว่ามันเป็นรถถังประเมิน ง, ง่ายๆนะเออแบบนี้ประท่ากัน แล้วไม่เหลือแต่ส่วนอื่นที่เรามองไม่เห็นว่ารถถังนีอาจจะเสนิ่ขึ้นแล้วอาจจะไม่มีไม่มีกระสุนไม่มีน้ำมันอาจจะไม่มีคนอยู่ในรถถังที่จะควบคุมมันได้แสดงว่ามันมันไม่มีความหมายอะไรเลยถูกต้องมาฉะนั้นไม่ควรที่จะประเมิน ปัจจัยของเราหรือปัจจัยของคนอื่นเพียงด้วยลักษณะภายนอกของมันอลัลลอกำลังบอกว่าอุบายของกาเฟริงฮวนสตาเนี่ยไม่ควรที่จะประเมินอุบายของเขาเนี่ยโดยที่ไม่คำนึงถึงเดชามุภาพเราเคยคิดไหมว่า เนี่ยในโรคระบาดโควิดสิบเก้าเนี่ยวิัยของประชาชนนะนะหรือบางทีนิสัยของประชากรนะมีผลที่จะทำให้ประเทศธนานะประเทศนี่ยประสบความสำเร็จในการสู้โรคระบาดรด้ไหมนย่างังดี ประเทศตะวันตกประเทศตะวันตกนะดูะประเทศตะวันตกแล้วประเทศอาหรับรถกระบะแรงแต่ประเทศตะวนตันะ ต, นตเกาาาต เ, ตนตเนี่ยเนื่องจากเขาขั้งลทัทธิเสรีนิยมอะไรจะว่อาอะไรมาปิดปากอู๋เอลัทธิเสรีนิยมสาธารสุขมันจะอะไรอะไรนักหนาจะมาปิดจมูกปิดปากอู ไม่ยอมมันเกิดจากเรื่องเรื่องลิทธิ์ด้านด้านความคิดนะอาหรับนะประเอารับเนี่ยมันเป็นเรื่องประเพณีที่ไม่ยอมละทิง้งการดี้ยต้องเจอกันต้องจูบกันต้องกอดกันไปไหนแต่ไหนนี่โอจะพูดยังไงอะไรยังไงท้าไมเนี่ยประเทของเขาเนยแก่แกมไม่ แกไม่ลงเลยแล้วระหว่างสองเรื่องนี้มันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นอิหร่านของเราเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยพอเริ่มระบาดช่วงแรกเนี่ยสนามมวยเราจะไม่บอกว่าใครเป็นเจ้าของนะเพราเดี๋ยวเหมือนเหมือนอรถชนมอเตอร์ไซค์ในใครผิด ชนมนสรุปแล้วนี่มนเัยผิดโรคระบาดเพราะสนามมวย ส, ส, ร ส, สรุปว่าสนามมวยผิดนะไม่ใช่คนที่บริหารสนามมวยนะแต่พอระบาดแล้วในสนามมวยควบคุมได้ไงเรารีบจัดการคุค่้ควบคุมได้แล้วก็คนไทยเนี่ยสนองสนอง การบัญชาของเอสือุกเร็วกว่าอิหรานะ่านทิราบาดช่วงแรกกันนะเพราะอะไรก็คือพวกไอ้พวกมะก่อมของบรรดาตอ ว, วีร์โตอิมบ์ของเขาพอที่นู่นเขาก็จะชอบไปไปลูบไปจูบไปเละไปเลียไป แลตอนแรกเนี่ยเขาก็เผยแพร่คิดคิดมีคน อ, อย่าไปเชื่อพวกนี้พวกนี้มันมันเป็นอุบายพวกเราจะได้ไม่เคารพพักดีต่อบรรดาอิหมามสิบสองของเราเราจะต้องทาต่อไปผมก็จะเลียตลอดจะเลียตลอดเอดพราะเขาเรียก่ามีบราระดัดไงก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าความเชื่อความเชื่อเลือกทึบแบบเนี้ บางส่วนที่ทำให้เขาไม่สามารถควบคุมโรคระบาดได้ลกราาล ะ, กะตา ม, มาโดยโดยความเชื่อของคนบางคนว่าเรื่องไิบาดาถูกบัญญัติยังไงก็ต้องอย่างนั้นยืนชิดกันก็ต้องชิดกันจะให้ยืนห่างกันมันไม่ได้มันเอามาจากไหนไม่ละหมาดดีกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศทุกวัน ที่เจอปัญหาเี่ยก็ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นแบบก็เป็นแบบเนี้ผมเรียนตรงนะว่าบางทีเนี่ยนิสัยของประชาชนเนี่ยมันช่วยแล้วบางทีนิสัยเนี่ยมันต้องใช้เวลานับร้อยนับพันปีนีกว่าจะเป็นแบบนั้นนิสัยคนไทยเนี่ยที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่ค่อย ขัดขืนไม่เคอยอะไรนันคือเชื่อฟังโดยเฉพาะจะเป็นผู้นำอะไรก็เชื่อฟังเร็วอะไรนี่ไม่เคยนั่นน่ะนะเออดีกว่าประเทศอื่นเยอะดีเยอะเลยไม่ใช่ความเก่งของผู้นำหรอ ก, รอกจริงไม่ใช่ความเก่งของสาธาสุขไม่ใช่มันเป็นในมุมมองของผมมาแมันน่าจะเป็น เ, เร่ง เรื่องนิสัยใจคอ ข, ของคนไทยว่าบริหารจัดการง่ายกว่าคนไทยมีลัทธิความเชื่อเหมือนที่มีทั่วโลกเรื่องประเพณีเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัวว่าครอบครัวต้องเออต้องต้องตองดิดต่อกันต้องอะไรเหมือนอะไก็มีเหมือ น, ก, นกัน ม, มีเรื่องความเชื่อของเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาก็มีเหมือนกัน มีเรื่องเสรีนิยมเรื่องอะไรเนี่ยใครจะมาบังคับจะมาะก็มีเหมือนกันแต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราตระหนักในอันตรายไงเนี่ยข้อแนะนำเนี่ยเราจะให้ความสำคัญมากกว่าอารับและฝรั่งที่เขาวิเคราะห์ด้วยสมองอะ น, นะเขาวิเคราะห์ประเทศที่ประสบความสำเร็จแบบนี้วิในเาเรียกว่า มันมีวินัยส่วนตัวของแต่และคนแล้วก็มีวินัยส่วนรวมของของสังคมซึ่งวินัยส่วนตัวเนี่ยมันจะเกิดเร็วกว่าวินัยส่วนรวมวินัยส่วนรวมนี่มันมันจะต้องมีหลายปัจจัยหลายปัจจัยอย่างเช่น วินัยวินัยเนี่ยวินัยส่วนรวมเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งท้าทายใหญ่หลวงที่ทำให้ประชากรทั้งหมดเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันบางทีถ้าหากว่าเรามีนิสัยกระด้างไม่ยอมใคร นิสัยกระด้างไม่ยอมใครวินัยส่วนรวมเกิดขึ้นยากนะเขาบอกว่าทำไมวินัยประเทศญี่ปุ่นนะ่ะมันหนักพอญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าโดนนิวเคลียร์เนี่ยประมว น, นู่ทำให้ทำให้ประชากรเนี่ยเหมือนรู้สึกทุกข์ด้วยกัน จึงเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนอกจากว่าจะต้องปรับนิสัยของเขาแต่ที่จริงเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่คนเรียบร้อยนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเสียงดังนะะันดูดิบะไปไปไปไปเขาเสียงดังนะก้าวราวนะไม่ยอมไม่ยอมคนง่ายนะ ซมูไรนี่เธอเเธอแท้แพ้นี่อะไรฆ่าตัวตายเลยคือคือเป็นประชากรนี่ไม่ไม่ช่ง่ายเนี่สัยแต่ละคนเนี่ยไม่ไม่ง่ายนะแต่อุปสรรคที่เขาเจอกันทั้งประเทศนี่นะทำให้เขาต้องมาทบทวนนักประวัติศาสตร์เี่ยเขาวิเคราะห์นะเขาบอกว่าไม่แน่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไม่เจอบันรัมณูเน่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ถูกพัฒนาไม่ได้พัฒนาระดับอีกคนก็เลยต่อยอด แต่แบบโจกหน่อยนะฉะนั้นประเทศอื่นนี่จะได้พัฒนาตัวเองเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องอยู่กสักลูกสองลูกก่อนมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ที่จริงเนี่ยไมายจริงว่าถ้าจะเจอปัญหาที่มัน อ, อปัญหาใหญ่สิ่งที่ทำให้สังคมบ้านเราเนี่ยประเทศไทยมีวินัย ต่ำลงอะนะเนี่ยถ้าหากว่าคนไทยเริ่มรู้สึกว่าความยุติธรรมที่คนไทยเนี่ยเขารู้สึกเขารู้สึกว่าเออเขาให้ความร่วมมือเพราะส่วนมากเนี่ยไม่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบสังเกต น, นะเก้าสบห้าตนะ ก็ชาวกินดีอยู่ดีแต่ที่ทะเลาะ ก, กันนะ่ะก็คือคนข้างบนนี่พวกนักการเมืองที่ทะเลาะ ก, กันนะแล้วเขาก็ลากประชาชนมามาทะเลาะแต่คนส่วนมากนะ ก, กินดีอยู่ดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าประชากรส่วนมากเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบนะรู้สึกว่าบ้านเมืองนี้ไม่มีความยุติธรรม บ้านเมืองนี้ไม่มีทางรอดไม่มีทางออกไม่มีที่พึ่งแล้วอะนะน่าจะเป็นปนัญหาสั่งให้ปิดสั่งให้ใส่แมสกิใส่ไม่เชื่อไม่ใ ส, ใใส่เพราะไม่เชื่อว่ามันมีประโยชน์หรือไม่ไม่ใส่เนี่ยแสดงขัดขืนสักอย่างเนี่ยที่อเมริกาประท้วงกันไม่ใส่แมสกันทั้งนี้ความรู้ของประชาชน ต่ด้านสารสุขของเขาอะนะก็โอเคนะแต่ที่เขาเขินประท้วงกันแล้วก็ไม่ใส่แมสกันเพราะเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ผู้นำสั่งให้ระวังเพื่อชีวิต ท, ทั้งนั้นที่ชีวิตไม่มีความหมายอะสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ก็เอาหัวเขานี่มาบีบคอตายไม่มีความหมายจะรักษากูจะรักษาชีวิตของคุณทำไมนะทั้งนี้เรามองถึง <c oughs> ใครที่ไม่หวังดีกับเราก็ตาม น, นะว่าอุบายของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีความสามารถที่จะเบ็ดเสร็จทำได้ทุกอย่างมันยังมีเดชานุภาพของเราสุภานุวติอะรที่จะยับยังและมุ่มินเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องก็จะต้องมีความหวังในเรื่องนี้ พอเห็นความอลังการของศัตรูเห็นคนที่ไม่หวังดีมีความสามารถขนาดไหนอะนะสิ่งที่จะปอบใจเราเสมอนี่ว่าอัลลอ์สุบฮานะวใาล่ทรงรู้และจะจัดการให้ยุติดรทมทีสุดนะขับคงจะฝากไว้กับเพียงนี้นะทัลลอลมอ่าลอะลัย์ีัลอฮัย์ัลอะลัย์อะัอลลั์ลลอฮอะลัยฮะัลละอะลัยะ์ะลลอฮ